การที่เราสา่ารถที่จะกลายเป็นเอกภพงการทัฒนาคือสภาวนี่อาราวสเนองไปของญาติโยมตางได้ตั้งเข้าที่นลัที่เราได้เคยปฏบัติกันมา ที่นี้่็คืงการเล่อนขับนรับวางขาขวาวางทับขาขว า, าวางทับมือใต้ร่า ง, าา ง, งา ก, กายให้ตรงบำ ร, ร, รองสกิมที่มัน้่าจะหลับตาเบาๆไม่ต้องกลง พอเป็นสมาธิแล้วก็ให้เจอปัญญาในที่ดว่าตอนนี้ไปก็จะเป็นการสํางสมาธากกว่ัจเป็นการรู้ปัาในใจของ ด้วัสมาธิในเชิงปฏิบัติพิสูจน์ที่ต้องทำไปแล้ที่ต้องทำที่สุดซึ่งจะเป็นพิสู้น์และยามที่จะน้อมรับาธรรมะามาปฏิบัติในงานการของเรา คนทลายพระเจ้าจอยู่แล้วว่าอะไรท้่สาการนี้อาจจมภาพจากนั้นองรูขอเปหาเียเมือ่าเก่ากับญาติคนทลายซึ่งเปนาเมยเมือนี้เมืองนี้เปการสังารระหว่างพรเจ้ายี่งรง พระอรหันต์หน้าะตเณีแต่ก็เป็นธรรมะที่ท่านสอนได้ผลงานการนันเป็นธรรมะในขั้นสูนงเป็นธรรมะในขั้นไม่ผัดชนาที่เกิดเป็นปโยชน์กับนักปฏิบัติของเราที่หลายมากเพราะว่าอย่างไรก็ตามในการปฏิบัติของเรานีา เราไม่ได้ยวดโยงแค่สมาธรจะก้าวขึ้นหั้สนาขั้นสมาธน้นยัไม่สามารถที่จะทำลายเลยยังไม่สามารถที่จะทำลายความทุกข์ได้ต้องขั้นนิพพานต้องขั้นต่างายถงจะสามารถทำลายลยสามารถทำลายดับความทุกข์ได้ เรื่องราวของนระองค์ในเรื forward, so ่องเกี่ยวกับกา้น่าที่ศาสนาสุนที่ให้สอน้นศาสนาจึงเป็นเรื่องราวของที่ศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่ได้กล่าวถึงในเรื่องของนามลูกสึ่งนามรูกนี้ เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของวิปัสสนาเพราตามปกติแล้นในการปฏิบัติสิทิภาวนาต้งมีสองขั้นขั้นแ่เคือวองสมรรถภาวนาขั้นท่องเรียกวิปัสสนาภาวนาในการปฏิบัติสมรถภาวนาให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิและในการปฏิบัติวิัสนภาวนาให้จิตเกิดัญญา ในการปฏิบัติทั้งสองขั้นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือจะต้องมีองค์ภาวนาหรือจะต้องมีอารมณ์กรรมฐานจะต้องมีองค์ภาวนาและอารมณ์กรรมฐานในองค์ภาวนาหรืออารมณ์กรรมฐานขอภาัแรกคือธรรภาวนาองคภาวนาน หรือ่เป็นบัญญอารม์หรือเป็นสมมอรมณ์สุท่านพระพเจ้าให้ไว้ถึงสี่สุบอย่างนั่ก็เทีประกอบด้วยกิเสทุกสุทุอารมณ์ทุกสิทธิอาระณ์ทุกทีแม่ตาทีที่สามสปถ้าท่นง กับอาเรปฏิกูลสัญญาอีกหนึน่งสี่สรบจะตามปกติเราก็ใช้อนานมณกติคือใช้ลหายใจใช้คุกโถวแต่จรินๆนันทพิ่มแค่วสี่สิบอย่างไปที่เก่าแล้วแต่ทั้งสี่สิอย่างนี้เป็นบรรจบเป็นสมุดที่เป็นรมณกรรมฐานของในภาคแรกคือสมถภาวนาทีนี้ก็ต้องเอา เาวารือารณ์กรรมฐานนั้นเป็นหักที่จิตจนุษย์ขาวขึ้นตี้เกิดความสงบเป็นสมาธิท่านเป็นอารมณ์ภาวนาเป็นอรมณ์กรรมฐานของพระเจ้ของพระสมถารหรือพะสมาธิเป็นนภาวนาหรืออารณ์กรรมฐานของทิพสินานะ ต้องเป็นปรานัตอารมณ์ต้องเป็นปราัตอารมณ์ซ่งเราก็ทราบว่าปรานัตอารมณ์นั้นีนงองอย่างนั่นคือนานกับรู้กทั้งงานกับรู้นั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานหรเป็นอุปภาวนาของนิปปัตตนาภาวนาในสองอย่างนี้น ท่านะกเร่วลาของการปบิบัติในภาวน์ที่พัฒนาภาวนาเนี่ยศีจิตของเรานี่ยต้องมยกับเป็นภาวนาหรือต้องอยู่กับอารมณ์กรรมฐานถือรูปงานี้ตลอดจะอยู่กับรูปงามตลอดแต่ที่รูปงามนี้ได้โดยต้องอยูกับรูปธรรมจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพาน อารเรียนงาเดียอานะคภาคที่ศานาน้นหรือนั้นรงานลูก น, น, นั้นที่คว า, าจมจำเป็นมากๆยมจะต้องเลือกงานลูกต่อทําความคู่ทยบกับงานลูกอดเวลาเพราอดเวลานั้นเราจะต้องาสติ ม, ตมนนนนนนนันจากไว้กับงานลูกอ่างเดวเท่าน้เพื่อเก็ปัญญาเอไปในการเรีย พระเจ้า่ก็จะถามทางนาเก็ตรว่าอะไรคือนามอะไรคืรูปจะถามความหมายของนามรูปใครที่พระเจ้าไม่ได้ขทางนาเกษตถามว่าอะไรคือนามอะไรคืรูปทางนาเกษก็ตอบว่าสิ่งที่ละเอียดประณีตไม่มีใคระเป็นพาดรู้ สิ่งความรู้สึกนี่แหละเป็นมาเปาตุรู้ส่งความรู้สึกรู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยินรู้ว่าได้กลิ่รู้ว่าได้รสรู้ว่าได้สัมผัสถูกต้องรู้ว่าสบายรู้ไหมสบายรู้ว่าจำได้หมือจำไม่ได้รู้ว่าดีรู้ว่าหินะนี่เป็นมาเป็นมา งานนั้นมีอยู่สองอย่างงานศิกับงานเพตศิษยงานศิษกับงานเจตสิษย์ิผู้รู้เจตศิษย์คือสิ่งที่ประอบอย่างเวทนาอย่างสัญญาอย่างสังขารเป็นเจตศิษเป็นเจตศิษยคือสงที่ประกอบจิตเกิดรองกับจิตดับร่องกับจิต พระนามีองอย่างงางศิษกับนางแกติทินี่เปการหนึ่งความหมายของางถึงาหมายของโลกนั้นพระอรหนก์ห้าเกษก็ห้าเกษก็อธิบายว่าคือสิ่งที่ยากเป็นสีที่ยากไม่ใช่หาดูดอะไรนม่ได้เลยมีแต่แต่ข่วนอย่างเดียวนั่นคือโลกเป็นส่วนรลก เสียงาเห็นก็ดีเสียงที่หูดดได้ยินก็ดีกลนที่กได้กลก็ดีรสที่ล้นสามารถ้นได้ก็ดีหรือสิ่ง ท, ที่มากระทบทางกายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนความอ่อนควาแงความตงความไมเป็นรูปทั้งหมดอย่างนะีรู เสียก็เป็นรูปนก็เป็นรูปรถก็เป็นรูปสิ่งที่มากรบทางกายทั้งหมดเป็นรูปทั้งหมดนี่คือรูปเพราะดังนั้นมันรู้อะไรไม่ได้เลยมันรู้อะไ ร, ไไรนีไ้เยเกิดขึแล้วมีทางที่จะดับไปคืแตกลจะยังเดียนีเป็นความหมายของนามรูปที่จะอรหนันต์ข้าพเ ได้อธ uh, so, ิบายให้กับพระเจ้ามิลินได้เข้าใจตามมาข้อศสองข้าหา้าเกษงก็ได้ถามพระเจ้ามิลินก็ได้ถามกับข้น้ากงในเรื่ของกิจของามลว่ามีเขียนกระทบตาเขียนมากระทบหเกิดมากระทบจมูกกระทมากระทบล็บกระทพมากรทกายแล้วทำให้ใจเป็นผู้รู้ ใจเป็นผู้รู้แล้ว่าเมื่อสิ่งต่างๆลนั้นมากระทบตาหรือจมูกยิ้มกายแล้วยังก็เกิดเป็นศาสตร์ของขดที่หน้าเกิดเป็นวิญญาณทั้งหน้าตึงวิญญาณทางตาวิงญารทางหูว ouais, ิญญาณทางจมูกวิญญาณทางเส้นวิญญาณทางกายแล้วก็ส่งไปให้ใจคือแมงูวิญญาณเป็นผู้รับรู้เผู้รับทราบอีกทีนึ่งนี่คือในเรของจิตของนางโลก ในวันนี้อาตมาพผู้จึงรูปของงามรูปจอมรว่าในข้อตแรนั้นเงของงามรูปจได้จบเร่งามรูปนี้เปสิ่งที่สำงัญอาตมาอยากจะขอย้ากับญาติโยมทั้งหลายจะต้องทำความเขใจให้ดี้พื่อที่เราจะได้พิจารมาในภาพนิพจัทธนาจะนําอาความรู้นี้มาปฏิบัติทางหน้านห้ปัทนาต่อไปนนี้โ ก็แนวรู้ที่พีเจ้าที่จะถามพี่อาุ้ยต่อไปก็คือว่าเมื่อมีเสียมาจกพระตามีเสียงมาจากพระหมก่นมากพระหมีรสมากระพิษทปวดชารมาถึงร่กายแล้วใจเป็นผู้รแล้วนีอะไรเกิดขึ้นตามมาอี แก่ขตามมาอีทัทีผู้เสกระทบตาเสงกระทบหูจมูกกระทบกริ้งลิ้นกระทนล้นกายสผัดกต้งปต่อภาพนั่นน่ะี่อะไรเกิดตามมาอีกสิ่งจะเกิดตามมาหลังจากที่ได้มีนการกระทบกันแล้วนั่นน่ะน่หะามายเนต่ากิตามมา ข้างหน้ามามมานิจดุจิามเกิดตามมาทั้งสิ่เหล่านี้เป็สวนสำที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของนิพพานะทั้นั้นสักผักดีข่ห้ากดีไข่ห้าสัะกอด้วยรูเวทนาสัญญาสังขารินอย่างวกนิจดุจ่จาที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันเกิดขึ้นมาพร้อมกันบงทีที่ สื่มันากพระตาหรือสื่มาจากพระหูหรือเกมันก็ระดวงหรือเลิกมาจากระทิหรือหมดภากพระมาจกพกายมีหายอย่างเกิดตามมาพระเจ้าห้่งเริงก็ได้ถามพระนั่กระแสนต่อไปว่าทักษณะของวิญญาณที่เั้งใจเป็นผู้รู้นั้นน่ะมีลักษณะอย่างไร ให้ขณะเกษมยกตัวหลังใ n ้ฟังสิลักษณะของดวงวิญญาณใจที่ันรู้ว่ามัมีสีรกตตาสีงกตหัวที่ฉัเกิรกตมัมีรักมรตใ้ผัวทำพ่อมกายนะ่ว่าใเู้รู้นมีลักษณะอย่างไรขกตออาจารย์เรียนไว่าลักษณะของใจนั้น มันก็คงจะยั่อยู่ส่สี่แยกยังอยู่ที่สี่แยกยังายู่ที่สี่แยกนะผู้คนเดินผ่านไปมาก็รู้จะรู้ว่าทีู่คนเดินผ่านไปมาที่เป็นผ้งที่เป็นผู้ชายี่เป็นคนแก่ที่เป็นคนหนุ่ที่เป็นเด็กรู้ทั้งหมดเหมกับคนที่ยืนอยู่ที่สี่ย ฉันจันดีรู้เสมอไม่ว่าเสียงมาจากตาหรือหูมาจากตาก็รู้ว่าเปงนอะไรเป็นรูอะไรเป็นเสียงมาจากหัวก็รู้าเยงมาจาหัวเป็นเป็นอะไรเป็นเสียคนหรือเป็นุยหอัางต่างหรือเสพลงหรองดงเสียงว่างราด่างางรม มีกล so, ิ่นมากก็ทักจนเรารู้หมดว่าเนกลิ่นหอมเปนกลินไหนอย่างไรกลิ่นอะไรติดใจได้ไหมมนุษยมันก็รเีนก็รู้ทั้งหมดรามันผดรู้ว่มันหวานรู้มันค็มอย่างไรมีสิที่มัก็รู้กายก็รู้ทั้งหมดเป็นความเย็นหรือเป็นความร้อนเป็นความอ่อนหรือเป็นความแข็ง เป็นความตรงไมเป็นคนวามไหวหมือกับคนทียนดวงสี่แยกใคร่านไปมารู้รทั้งหมดที่ลักษณะของใจลักษณะของวัฏวิญญาตที่เป็นผู้รู้ที่เป็นผู้รู้อี่พระเจ้าไเหนก็เถามพระเจ้าพ้าแมก็เสกแม่กสกแม่กเสกก็สอบไปอย่างนี้แต่วาพระเจ้าไม่เห็นก็ถามแม่ก็เสงตอบว่ารูทักจามนั่น นัมาอย่างไรักดีนั่นขนาดอย่างไรใ้าอาารย์เขนจะโทมาอุปมาให้ฟังถอารย์เนก็ตอบว่าขักนันน่ะจร่ะายว่า่เดอุปผลิไม่เอุปผลิอาารย์เขนตอบว่าทั้งสองกับแก่สองตัวชนกันแ่ตัวน แคแค่จว่าวมือสีมีอลูกมันคตาน่เกิดขัดขวาขึ้นหน่มกนแกะสองตัวชนกันแกะตัวทหงหมือกับตาแกะตัวที่สอหมือนกับตู้และอากาที่แกะทั้งสชนกันนั้นเกิดสมงนั้นมนุาง์ตาเกิดขึ้นซึ่งมนุษยตาเกขึ้นจะได้รายงานไปยังใจที่ใจนผู้รับรู้ว่าจเห็นอ เปการศึกาคูณการประบกนดีทั้งสาอย่างประสบกับคนดีเป็นการพูดครั้งพูดครั้งที่ต่างกับพูดคุยก็จะเปียนเปนอยู่กบพดเป่ยนเ็นรับการสารที่อบเนื้อทัเกิดศึกษาขึ้นเกิดศึกษา t ึ้ n ทั้งสอย่างประสบกับคนดีทั้งสามอย่างคนดีตางกับูดกอนเมื่อแ่ขงรท หนว่งสองเจามดวงาวนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นร้อกันทั้งสาอย่างการกระแทกจมูกก็เม่เกิดผู้ปกรทกจมูกนก่านวาทางจมูขึ้นทกอ่าัสาอย่างเกิดขึ้นพร้องกันรถก็เกิดขก้นเกิดดวงดาวทางลิ้นขึ้นลิ้นเป็นริขอเป็นอนหนึ่งริ้นกัเป็นรูปรถกับเป็นรูป แล้วก็ปิญญาทางตาที่เกิดขึ้นเป็นนามกายก็เหมือนกันมีสมถะที่ตั้งทางกายมีโพธิภาพมากระทบการกายก็เป็นรูปโพธิภาพก็เป็นรูปวิญญาณทางกายเป็นนามเพราะฉะนั้นภัจจคาว่าผัจจคนั้นต้องหมายถึงว่าทั้งสองอย่างกปสบไปสบกันพอดีเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันพอดีน่เรียกว่าภัจจะ ที่การเกิดคั้งหนาที่การเกิดคั้งหน้าน้่านก็ยึดตากับพระพทนึ่งตกับพุ่านั้นยามทางตาเกิดขึ้นก่อนยารทางาเกิดขึ้นแล้วส่งไปให้ใจรู้ใจรู้มาเห็นอ่าั่นงานเกิดขึ้ก่อนงานเกิดขึ้นก่อนก็คือยามทางตากับใจเป็นผู้รู้รู้มาเห็นรู้่าเห็น เห็นอรเห็นทูเห็นรูที่ากะทบตนั้นเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรที่เรารู้ก็เดือดรา ม, มาตามหลักตามหักของการเกิดนารูปนั้นนามรูปนั้นอาศัยอิานสายสั้กันในกรนัรโผล่เรเป็นปัจจัยที่เกิดรูปรูปเป็นปัจจัยที่เกิดนาครั้นแรกก็อิรูภายนอก มากระทบตาเกิดวิญญาณทางๆาขึ้นวิญญาณทางๆก็เป็นนามแล้ววิญญาณทางๆนี้ก็รายงานไปให้ใจรู้รู้ว่าเห็นใจก็เป็นนามยิ่งยืดภายนอกเป็นปัจจัยให้เกิดนามคือเกิดวิญญาณเกิดใจรู้เป็นนามคือเกิดวิญญาณเกิดใจรู้เป็นนาม เห็นไหมว่ารูปเป็ปัจจัยให้เกิดนามแล้วต่อมาก็นามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนามรู้ว่เห็นเห็นอะไรเห็นรูปนั่นรูปเกิดขึ้นเมื่อรูปเกิดขึ้นต่อมาก็จําได้หรือจำไม่ได้จําได้หรือจำไม่ได้จํารูปที่เห็นนั้นได้หรือไม่ได้ถ้าจําได้เป็นรูปอะไรนั่นสัญญาเกิดขึ้นรูปเป็ปัจจัยให้เกิดนามสัญญาเป็นนาม สัญญาเป็นนามเมื่อจำได้ร Broad ูอจำได้ว่าเป็นอะไรดีรูอไม่ดีถ้ารูปดีก็เกิดความสบายเกิดความสบายใจถ้าร <ued then. S 2> ูปไม่ีก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจนั่เวทนาเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นเมื่อเวทนาเกิดขึ้นแล้วว่าสัญญาบอกว่ารูปดีเวทนาบอกสบายใจ สังขารก็ปรุงแต่งให้เกิดความดีดีนั่นสังขาราาขาปรุงแต่ให้เกิดความหยินดีถ้ารูปไม่ดีสัญญาบอกว่ารูปไม่ดีเวทนาบอกทุกข์ใจไม่สบายใจสังขารก็ปรุงแต่งให้เกิดความหยนร้ายเห็นไหมในสังขารในขันห้าเพราะฉะนั้นขันห้าเกิดทุกครบแล้วใช่ไหมขันห้าเกิดทุครบแล้วมีรูป มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นเลี้ยกระทบรถกายใจต้องผ่านถงกล้องขณะเกิดขึ้นตามมา ท, ทันทีเจะขึ้นชอมในขณะเดียวกันมีทั้งรูปมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญามีทั้งสังขารมีทั้งวิญญาณแต่แล้ว พระเจ้าวิเดนก็ถามพระนาจะเสนต่อไปว่าแล้วเวทนานั Il, ้นมีลักษณะอย่างไรเวทนามีลักษณะอย่างไรพรานาคเสนก็ตอบพระเจ้าวิเด็นไปว่าเวทนานั้นมีลักษณะเป็นแบบเสวยอารมณ์เสวยอารมณ์พรานาคเสนอธิบายว่า คือสมุนขา ร, นราชการตลอดระยะเวลาหนึปีที่ผ่านมาทำความดีความชอบพอสิ่งปีก็ทางราชการ ก, ก็เพิ่มเงินเดือนให้ก็เกิดความเป็น ส, ส, สนิ่สงดีเกิดความปราศรุ่งใจอันนั้นแหละคือเป็นเวทนาเศรษซวรยอารมณ์อันนั้นเศยอารมณ์นั้นนั่เรียกว่เวทนา เป็นแศษเขยิ้อารมณ์ทําให้เกิดความสบายใจเกิดความทุกใจหรือทุกใจนั่นก็หมายความว่าเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมะลงมากระทบที่ตาหูจมูกเยืนอกายใจจะเป็นรูปทดีเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีรสที่ดีโผฏภะที่ดีจิใจแล้วก็เกิดความสบายเกิดความสบาย ท่าเรีกว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาเศรษฐสวยอารมณ์ที่เป็นสุขที่มันสบายตรงข้างถ้าหาว่ารูปเห็นกลิก่นรสโผฏฐพที่มากระทบตาหูจ ม, มูกเข็งกายใจนั้นไม่ดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเวทนาก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจก็เลยว่าทุกขเวทนาทุกเวทนา หรรูปเปียงเปี่ยนก็โกสภาพที่มากระพรบตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นกลางๆที่ดีที่ชั่วเพราะฉะนั้นเวทนาก็เกิดกับเกิดความวางเฉยเป็นอุเบกขาให้สุขให้ทุกข์มันก็มีสามอย่างเวทนามีอยสามอย่างเท่านั้นที่เป็นลักษณะของเวทนาลักษณะของเวทนาพระทัยดิเงก็ถามพระนัตสัจเณรต่อไปว่าแล้ว สัญญาล่ะมีลักษณะอย่างไรสัญญามีลักษณะอย่างไรขณะเกษก็ตอบไปว่าสัญญานั้นมีลักษณะกําหนดรู้หรือจาได้กําหนดรู้หรือจําได้ขณะเสกษอธิบายต่อไปว่าเปรียบเสมือนพนักงานเข้าไปในท่องฟังเพื่อไปเห็นสิ่งต่างๆ ที่วางอยู่ในท้องประการนั้นก็จําได้หมายหมายรู้ว่าสินั้นอยู่ที่นันสิ่งนี้อยู่ที่นี่ต่อไปเมื่อแม่นเนี่แม่ไม่ได้เข้าไปในท้องประการอยู่ข้างนอกก็สามารถที่จะหลับตาแล้วก็มองเห็นได้กําหนดรู้ได้ว่าอะไรอยู่ตรงจุดไหนนั่นเป็นสัญญาเป็นสัญญาอีกแปลว่ากําหนดรู้ที่กาหนดรู้หรือจาได้เพราะฉะนั้น ไม่ไว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโอสถภะที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วสัญญานี้ก็จําไว้จําไว้จาไว้เพื่อครั้งหน้าเมื่อเห็นสิ่งนี้มากระทบแล้วจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรรูปจะจำอารมณ์จำอารมณ์ต่างๆที่มากระทบต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนี่คือเป็น สัญญาเป็นสัญญาต่อมาพระเจ้ามิลินก็ถามท่านหน้าเสนต่อไปว่าแล้วสังขารล่ะสังขารมลักษณะเป็นอย่างไรสังขารนี้บางครั้งก็เรียกว่าเจตนาอันเดียวกันนะบางครั้งก็เรียกว่าเจตนาการปรงแต่งหรือการจองใจสังขารนี้แปลว่าการปรงใจ รือจงใจเจตนาเจตนาจงใจกระทำพระอนะคเซนก็อุปมาไว้ว่ามันเหมือนกับผู้คนหนึ่งไปตอบย่างพิษให้ตัวเองดืด้วยแล้วก็ให้ผู้อื่นดืมด้วยทุกทั้งตัวเองทุทั้งผู้อื่นหรืประสอบอาหาร เป็นอารมณ์ที่ดีสัญญาบอกว่าเป็นอะไรเวทนาก็เกิดความสุขใจสังขารปรุงแต่งเลยพรุงแต่งให้เกิดความชอบใจขึ้นมาเลยพรุงแต่งให้ชอบใจขึ้นมาเลยแต่ถ้ากว่ารูปเขียนติน ร, รถปวดสภาพทางอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายนะใจนั้นไม่ดีเวทนาจําได้ ว่ามันเป็นอะไรถ้าสันยางจาได้ว่าเป็นอะไรเวทนาก็มความทุกข์ใจพระองนั้นไม่ดีเมื่อเวทนามีความทุกข์ใจสังขารก็โกลงแต่งให้เกิกดความดุร้ายสี่สังขารคอยโคลงแต่งอยู่ตลอดเวลา ท, ทําไมสังขารถึงโกรงแต่งอย่างนี้โกลงแต่งอย่างนี้ได้เพราะ คนเรามักจากขาดสติขาดปัญญ า, ท, าทั้งที่ต่างกระทบลูกกระทบขีนจมูกกระทบกลิ่นรินกระทบรถกายใจต้องขาดถูกต้องแล้วขาดสติขาดปัญญาสังขารก็ตรงแต่งปรงแต่งให้เกิดความยินดีแต่ถ้าหากว่าในขณะที่กระทบนะั้นในขณะที่สังผารนะั้น เกิใมีสติมีปัญญารู้ว่าเราไม่สิทธิ์ตัดไม่ใช่บุคคลไม่ใช่โจโจนเราเขาใดใดทั้งสิน้นเป็นเจตพิรุนามอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ความเป็นไปของรูกนามนั้นดวงดวงไกลครับอันจังทุกขังหน้าตาอย่างนี้แลสังขารหรือเจตนานั้นตรงแต่งไม่ได้จุดนี้สําคัญมากนะเรื่องของสังขานี่มันคอยปงแต่งตลอดเวลาคอยคนที่เสื่สติ คนที่ขาดสติคนที่ขาดสัญญาสังขารมันจะปงแต่งปุงแต่งให้ชอบใจปุงแต่งให้ไม่ชอบใจปรุงแต่งให้ยินดีปรงแต่งให้ยินร้านี่แหละที่มันปรุงแต่งเราอีกครั้งหนึ่งนะหรืว่าขณะนี้เราเป็นข้ามของสังขารสังขารมันปรุงแต่งเราสังขาร ม, มีอิทธิพลเหนือเราเหนือจิตใจเราเพราะจิตใจเรามันไม่รู้จิตใจเรามันขาดสติ ีิไใ้เราขาดปัญญาเพราะฉะนั้นที่เรากําลังปฏิบัติอยู่ในขณะนี้นะ่ะเราปลกทั้งสติเราปลกทั้งปัญญาเพื่อให้รู้เท่าทางสังขารสังขารมันจะได้ครุงแต่งเราไม่ได้ที่เราดับทุกคนดับคนตรงจุดนี้นะโยมดับตรงจุดนี้พระอาตมาจึงได้บอกว่าในเรื่องราวต่อไปนี้นะ่ะมันมีความสำคัญเกี่ยวกับทางด้านให้ปัจจาาของเรา นี่พระเจ้าที่ลิงก็ถามพระนาคเสนในเรื่องของสังขารต่อไปพระเจ้านาคเสอพระเจ้าที่ลิงก็ถามพระนาคเสนถึงเรื่องราวลักษณะของคำว่าวิตตบทิตตบทิตตบคืออะไรวิตตบในภาษาธรรมะนั้นแปลว่าติแปลว่าติดหลังจากสังขารตงแตงให้เกิดความดีแล้ว ถม่หอูแค่นั้นไหมไม่อยู่แค่นั้นเพราะเมื่อวจดก็้มาประกอบด้วยวิจดจังแปลว่าตามไปกับผิตไ่ต่อติดต่อไปอีกเมื่อจิเกิดความยินดีแล้วให้หยุดอยู่แค่นั้นเม่เกิดความชอบใจแล้วไม่หยุดอยู่แค่นั้นให้สิตเกิดความอยากได้ให้สิตเกิดความอยากได้ต่อไปอีกวิธูวิจดวิจดแปว่าเ เกิดในอารมณ์นั้นใหเกิดความยินดีแล้วเกิดความชอบใจแล้วเกิดที่ตกให้เกิดความให้จิตเกิดความอยากได้ต่อไปให้จิตเกิดความอยากได้ต่อไปหาวิธีการหาวิธีการที่การให้ได้อารมณ์นี้ให้ได้อารมณ์อย่างนี้อกถ้าอารมณ์รู้เขียนถึงรถปวดสภาพทางอารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกเมีกายใจมันดี เกิดความชอบใจสําคัญทุงแต่ให้เกิดความชอบใจแล้วพยายามหาทางที่จะให้ได้อารมณ์นี้เข้าไปอีกหรือตรงข้ามถ้าเป็นเรื่องแสียงหรือรโบ๊ทหรือป้าธรรมารงที่ไห็นด้ยมากระทบแล้วเกิดความไม่ชอบใจเกิดความเย็นร้ายไอ้ที่ตกนี้ก็ตัวดความคิดว่าทาอย่างไรถึงจะไม่เจออารมณ์อย่างนี้ทําอย่างไรถึงจะไม่เจออารมณ์อย่างนี้ ก็เกิดความโทสะขึ้นมาหาทางที่จะขักไลอารมณ์นั้นออกไปที่เป็นโทสะขึ้นมาที่เป็นอย่างนี้ลงมาติดประกอบจิตตามไปกับจิตอันสุดท้ายคือวิจารณพระจักรีนีก็ถามพราน่าจะเป็นต์อบไป้ว่าวิจารน่ะมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะอย่างไร พระนางตะเสงก็ตอบว่าวิจารนั้นต่อเนื่องจากถึกต่อเนื่องจากวิตกทําให้เคลือ่อนคลาไปกับวิตกอีกระยะหนึ่งท่านเปลียนเสมือนเราตีระครังพระนางตะเสงเปรียบ เ, ยเส ม, มือนเราตีรกคังพอทันไอ้ที่ซีระครังนั้นอนะ่ะเป็นวิตกแล้วการที่ระครังมันสั่น มันคลางออกไปอีกระยานหนึ่งนั้นเป็นพิจารตรองตรองอีกทีหนึ่งอืตรองอีกทีหนึ่งนี่เป็นลักษณะของตรองที่หลยายญาติโยมทั้งหลายการที่พระเจ้าจมิเริงถามการน่ากระเสนว่าเมื่อมีรูปเสียงเป็นลดโทษภาพระธรมมารมมากระทบจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเป็นผู้รู้แล้วนั่นล่ะอะไรเกิดตามมา มีเกิดตามมาหลายอย่างแต่ที่สําคัญที่สุดคือขันห้าขันห้าเกิดขึ้นที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนี้ขันห้าเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้ เ, เมื่อตากระทบหูหูกระทบเสียงจมูกกระทบเิ้นลิ้นกระทบรดกายกาย้งะทบผูกต้องอย่างนี้นเกิดเป็นขันห้าขึ้นมาเกิดเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ ในลักษณะของขันห้าแต่พระเจ้ามิรินก็ถามเลยไปถึงเรื่องของผักจักลักษณะของผัสจักลักษณะของมโนปิญญาลักษณะของพิจตุลักษณะของพิจารณ์ดังที่อาตมาภาพได้แสดงมานี้โยมก็คงพอจะเข้าใจปัญหาสุดท้ายในเรื่องของนามรูปที่พระเจ้ามิรินถามพระนาคเสด็จว่ามีอะไรบ้างในโูปนี้ที่ไม่เคยมีในรูปนี้ มีสิ่งใดบ้างที่ไม่เคยปรากฏไม่เคยมีในโลกนี้เลยมีอะไรบ้างมีสิ่งใดบ้างที่ไม่เคยปรากฏมีในโลกนี้เลยพระเจ้าท่านน่าจสกเสงก็ตอบว่ามีสิ่งนั้นก็คือนามรปรปแกลโรปที่ไม่ประกอบด้วยน้ม ที่เงี้ยที่ป็นสุขที่เป็นอาตาตัวตนไม่เคยปรากฏในโลกนี้เลยนามรูปก็คือสิ่งที่มีชีวิตรูปที่ไม่มีนามก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตเพาะฉะนั้นในโลกนี้ทั้งสิงที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่ปรากฏว่ามันขี้เลื่อน เป็นฟูเป็นอาตาตัวตนไม่เคยปรากฏในโลกนี้เลยสิ่งที่ปรากฏในโลกนี้ก็มีแต่นามรูปหรือรูปที่มาปรากฏ ด, ด้วยน้ำที่มันไม่เทีนที่มันเป็นฟูที่มันเป็นอนตัตตาสัพเพเฉลิมทั้งหลายในโลกนี้รูมแต่ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนที่เที่ยงที่เป็นสุขที่เป็นอนัตตาไม่เคยปรากฏในโลกนี้เลยโยมต้องเข้าใจประโยคนี้ว่าให้จริงนั่นหมายความว่าคุณจริงทั้งหลายในโลกนี้รวมรวมลงตู่ใจรักทั้งหมดรวมรวมลงตู่ใจรักทั้งหมดคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่อิจของมนุษย์เรานั้น มันเกิดวิปปะเห็นสรรพสิทั้งหลายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างไรเห็นที่ไม่เที่กลับเป็นเทีย่ยเห็นที่เป็นทุกข์กลับเป็นสุขเห็นที่เป็นอนัตตากลับเป็นอัตตาเมื่อจิตมันเห็นอย่างนี้ จิตก็เข้าไปยึดมั่นถูมั่นในสัมภิสิทธ์ทั้งหลายใช่ไหมโยบจิตมันก็มันเห็นผิดอย่างนั้นนี่มันเห็นเป็นเที่ยงเห็นเป็นศูนย์เห็นเป็นอัตรามันก็เข้าไปยึดมั่นถูมั่นในสัมภิสิทธ์ทั้งหลายทันทีที่จิตเข้าไปยึดมั่นถูมั่นในสัมภิสิทธทั้งหลายทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีใช่ไหมที่เข้ามาจาดนี้เห็นไหมก็มาจุดนี้ เพระฉะนั้นตั tôi, ว, e ía, ว tôi, ทุกข์ค ắng, ือตัความยึดมั่นผู้เจ้าก็บอกแล้วว่าตัวทุกข์คือความยึดมั่นตัวดับทุกก็คือตัวละลายปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทําไมจะให้จิตรงนี้มันละลายปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายลงได้ล่ะก็ต้องให้จมันเข้าไปรู้ความจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายก็ดีหรือนามรูปขันธ์ห่านก็ดมันรู้ไหท่อย่างเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้าจิตมันเห็นอย่างนี้แล้วแล้วก็จิตมันก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็เกิดความละคลายค่อยว่ารูป น, นามขันธ์ธาตุสัพสีทั้งหลายลงทุกมันก็ดับลงตรงนี้มันขอโยมเข้าใจอย่างนี้นะวันนี้ก็ถึงสาย จ, จะหมดเวลาแล้วก็จบเรื่องของนามรูปจบเรื่องการสนทนาเรื่องนามรูประหว่างพระเจ้ามิดินกับพระนาะเซนใน วันพระน่าจะเป็นการสนทนากาันในเรื่องของสังสารวัตสังสารวัตโอ้น่าสนใจในะโยมนะเรียกว่าวันพระน่าใครขาดไม่ได้เนาะ <c oughs> น่าสนใจมากเรื่องสังสารวัตมีเรื่องที่เราน่าจะรู้อีกหลายอย่างก่อนจะนี้ไปขอให้โยมนั่งภาวนากันนะทําจิตให้สงบพยายามตั้งสติเอาจิตไว้กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก ตลอดเวลาอย่าให้พลาดจากลมหายใจเขาเาจ้าลมหายใจออกนะ้ลมหายใจเขา้าให้รู้ลมหายใจออกให้รู้เมอรู้แล้วกลมหายใจเขา้าก็ใส่พูดลงไปลมหายใจออกก็ใส่โทลงไปพยายามให้กเาาออกาะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เกาะอยู่กับพูดโทอย่าให้พลาจากกันได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจิตของเราจะไม่ออกไปข้าง น, นอก จิตของเาจะไม่ไปคิดถึงอะไรจิตของเาจะไม่ไปคิดถึงอนาคตไม่ช้าไม่นานจิของโยมก็จะสงบเป็นสมาธิสงบเป็นสมาธิเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกขั้นดิกลสมาธิขั้นกลางอุปจาระสมาธิขั้นสุดท้ายอัปปนาสมาธิหายให้หมดทุพโภคก็ไม่มีลงหายใจก็ไม่มีนั่นเป็นอัปปนาสมาธิให้จิตพักงาน เมื่อจิตพังานแล้วจิตจะได้มีพลังเกิดเป็นพลังจิตในภาพที่ปัสนาต้องใช้จิตที่มีพลังจิตในการที่จะเป็นเฝ้าดูนามรูปแล้วจึงจะเกิดปัญญาเห็นนามรูปเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาได้ถ้าจิตไม่มีพลังปัญญาไม่เกิดที่มีความจำเป็นต้องพักจิตในสมาธิให้ดรียกเช่นก่อน โยมตั้งใจนะตั้งใจมีเวลายังมีเวลาอีกพยายามทาจิตให้สงบเป็นสมาธิให้ได้ส ต, ติตัวเดียวคุณโยมสติสำคัญมากๆอย่าให้คลาดจากลมให้ใจเข้าออกอย่าให้คลาดจากพุทโทได้เอาตั้งใจนะโยมนะ